วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบแปดพฤศจิกายนพุทธาาศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบตรงกับวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวันพระวันธรรมสวัสวิวันฟังธรรมเป็นวันมงคล เพราะว่ามีการกระทาที่เป็นมงคลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในมงคลละโสดว่าอเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานยานังเอตัมมังกลมุตตัง คือการกระทำสามข้อด้วยกันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งหนึ่งการไม่คบคนพาลสองการครบบัณฑิตสการบูชาบุคคลเสสสมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อผู้กระทำทั้งสามประการนี้ข้อที่หนึ่งทรงสอน ไม่ให้คบคนผ่านคนผ่านเป็นคนอย่างไรคนพานนี้เป็นคนง้อเขาเบาปัญญาเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักคุณรู้จักโทษไม่รู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์มักจะทำตรงกันข้ามกับความเป็นจริง ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะคิดว่าเป็นสุขผลก็จะเกิดแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาถ้าได้คบกับคนผ่านคนโง้เขาเบาปัญญาเขาก็จะชวนให้ไปทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสุขอแต่มันเป็นทุกข์แต่ความจริงมันเป็นทุกข์เพราะเขาไม่รู้จัก ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปจึงให้ควรหลีกเลี่ยงอย่าคบค้าสมาคนกับคนโง่เขลาเบาปัญญาคือคนที่ชอบทำบาปเพราะไม่รู้ว่าบาปนี้ เป็นโทษต่อจิตใจไม่ชอบทำบุญเพราะไม่เห็นคุณของการทำบุญว่าจะนำความสุขมาให้แก่จิตใจชอบสิ่งที่เป็นทุกข์คืออบายามุกต่างๆชอบดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการลเล่นต่างๆ ควบคนพาลคนโง่เขาเบาปัญญาเบาปัญญาเป็นมิตรและชอบความเกียรติคลานนี่คือสิ่งที่คนพาลชอบทำถ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะพบกับความเสื่อมเสียตามมาเพราะการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้รายดับไม่ได้รายรายได้ มีแต่รายจ่ายมีแต่เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพแต่คนพาลกลับมองไว้เห็นโทษของอบายามุกเหล่านี้กลับเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นสุขถ้าคบกับคนพาลเขาก็จะชวนให้ไปกระทําสิ่งเหล่านี้ชวนให้ไปเสพอบายามุก แล้วพอขาดเงินขาดทองก็ชวนให้ไปทำบาปช่วยให้ไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปกระทำบาปที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดโทษแก่จิตใจตามมาต่อไปครบกับบคุคคลเหล่านี้แล้วจะไม่มีวันเจริญมีแต่จะตกตำ่ำมีแต่จะ มีแต่โทษมีแต่ทุกข์จึงไม่ควรครบคนเหล่านี้ไม่ให้คบคนผ่านถ้าไม่คบแล้วความเสื่อมเสียก็จะไม่เกิดเรียกว่าเป็นมงคลไม่ขาดทุนไม่คบคนผ่านแล้วไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่กําไรถ้าอยากจะกําไรก็ต้องคบบัณฑิต พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าไปคบคนพาลคบแล้วจะขาดทุนจะเกิดความทุกข์เกิดความเสียหายต่างๆตามมาถ้าอยากจะได้กำไรได้ความสุขได้ความเจริญให้คบกับบัณฑิตบัณฑิตที่ฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองบัณฑิตคือผู้รู้ผู้มีปัญญา ผู้รู้คุนรู้โทษรู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรเป็นสุขรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ถ้าคบกับบัณฑิตบัณฑิตเขาก็จะชักชวนให้เราไปทำสิ่งที่เขาทำบัณฑิตจะทำบุญจะไม่ทำบาปบัณฑิตจะมีความขยันหมั่นเพียร ในการทำงานทำการทำภารกิจต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจวันนี้เราก็มาเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ มีตัวแทนอยู่คือพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวกเวลาเราเข้าวัดเรามาฟังเทศฟังธรรมเท่ากับการเรามาพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะชวนให้เราไปทำบุญให้เราละบาปให้เรา พัฒนาจิตใจของเราให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นด้วยการชำระสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับเวลาที่เราเข้าหาบัณฑิตเราจะได้รู้ได้ยินได้ฟัง เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่เรารู้แล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเราก็จะไม่ลืมเราก็จะเข้าใจว่ามีคนมีประโยชน์กับเราอย่างไรเราก็จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ก็คือความสุขความเจริญ ความดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจการที่เราจะพบกับความสุขพบกับความเจริญหรือพบกับความทุกข์พบกับความเสื่อมเสียก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราคบค้าสมาคมด้วยนั่นเองบุคคลที่เขาที่เราคบค้าสมาคมเขาก็จะชวน เราให้ไปทำสิ่งที่เขาทำกันถ้าเขาชอบดื่มโซราเขาก็จะชวนเราไปดื่มโซราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นต่างๆเขาก็จะชวนให้เราไปเที่ยวกลางคืนไปดูการละเล่นถ้าเขาชอบความเเกียดกลั่น เขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านถ้าเขาชอบคบคนโง่เป็นมิตรเขาก็จะชวนเราไปคบกับคนโง่เป็นมิตรเราก็จะโง่าตามเขาไปเราก็จะเสื่อมเราก็จะทุกข์ตามเขาไปถ้าเราครบกับคนฉลาดคบกับคนที่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ รู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เขาก็จะไม่ชวนเราไปเสพอบายมุกจะไม่ชวนเราไปทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตจิตใจทั้งในปัจจุบันในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วยังมีผลตามมาอีกด้วย ผลต่ออนาคตคือภพชาติที่เราจะต้องไปเกิดใหม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรกันก็อยู่ที่การกระทาของเรานี่แหละในปัจจุบันนี้ทำบุญนี้ก็จะไปสู่สุคติไปสวรรค์ชั้นต่างๆทำบาปก็จะไปทุกขติหรือไปอบาย ชั้นต่างๆอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครจะมาลบล้างได้จะรู้หรือไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สามารถมาลบล้างกฎแห่งกรรมได้ถ้ามีเหตุผลมันก็จะต้องตามมาเช่นถ้าเราปลูกกล้วยเราก็จะได้ผลกล้วยจะไปปลูก ต้นกล้วยแล้วได้มะพร้าวนี้เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับการถ้าเราปลูกมะพร้าวเราจะไปเอาผลกล้วยก็ไม่ได้ปลูกมะพร้าวก็ต้องได้ผลมะพร้าวปลูกกล้วยก็ต้องได้ผลกล้วยนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นกฎของเหตุของผลเอเหตุจะทําให้เกิดผลขึ้นมาเอเหตุดีผลก็ดี เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุดีก็จะทําให้เกิดความสุขเกิดความเจริญเช่นการทําความดีต่างๆทําบุญออันนี้จะทําให้เกิดความสุขเกิดความเจริญทําบาปอหรือเสพอบายามุขก็จะนําสู่ความทุกข์นำสู่ความเดือดร้อนนาสู่ความ เสอมเสียต่างๆทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นเราจึงมีกฎหมายมีกฎระเบียบเพื่อที่จะสอนให้คนทำความดีไม่ทำบาปถ้าทำบาปก็ต้องแยกคนนั้นไปอยู่ที่อื่นเช่นอยู่ในคุกในตารางเพราะว่าปล่อยให้อยู่ นอกคุกนอกตารางก็จะสร้างความเสียหายเป็นอันตรายต่อความล่มเย็นเป็นสุขของผู้อื่นเพราะกระทาตนเองเยิ่ยงสัตว์ร้ายนั่นเองยิ่ยงเสือสิยงกระเทงร้ายเวลามีเสือมีสัตว์ร้ายนี่เล่นลอดออกมาจากสวนสัตว์ก็ดีออกมาจากป่าก็ดีจะไม่ จะไม่มีใครปล่อยให้เขาเพ่นพ่านอยู่กับชาวบ้านชาวเมืองจะต้องพยายามจับไปขังไว้ในคุกในกรงหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะต้องทำลายชีวิตเลยเพราะปล่อยให้ออกมาอยู่กับมนุษย์ที่สงบไม่ได้เพราะจะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ผู้กระทำบาปผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆนี้ก็ไม่ไม่ต่างจากสรัพย์ลายนิตรดีนี้เองไม่ต่างจากเสือสิงกระทิ่งแรกเนีขาถึงเรียกว่าเสือโจรผู้ร้ายนี่ก็เรียกสมัยก่อนก็จะเรียกโจรผู้ร้ายว่าเสือเช่นมีชื่อว่าใบก็เรียกว่าเสือใบมีชื่อว่าดําก็เรียกว่าเสือดําเขาไม่เรียกว่ามนุษย์ เพราะว่าไม่ได้อยู่อย่างมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างเสืออยู่อย่างสิงอยู่อย่างกระเทงราดเป็นอันตรายเลยต้องจับไปขังไว้ในคุกในตารางนี่คือผู้กระทำบาป จะทำแบาปแล้วก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเสือสิงกระทิงราดจะไม่สามารถอยู่อย่างปกติแบบมนุษย์ทั่วไปได้จะต้องคอยหลบคอยซ่อนพอะจะถูกตามจับจะถูกตามจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางนั่นเองนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายไปแล้วผลที่เกิดจากการกระทำบาปนี้ยังมีต่อไปยังไม่หมดแต่เราไม่รู้กันก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะไปเป็นผู้รับผลของบาปที่เราได้กระทำไว้เพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเมื่อร่างกายตายไปแล้วเราก็เอาไปเผาเขาก็เอาไปเผาหรือเอาไปฝัง แล้วใคร่ะจะไปรับผลบาปในอบายต่อไปผู้ที่จะไปนี้เรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้กระทาบาปโดยตรงเป็นผู้สั่งแล้วก็เป็นผู้กระทาโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับเวลาที่คน ขับรถเนี่ยขับรถไปชนคนตายรถพังไปตํารวจเขาไม่มาจับรถไปขังคุกขังตารางไม่จับรถไปลงโทษเพราะรถไม่ได้เป็นผู้กระทาบาปไม่ได้ผู้เป็นผู้กระทาผิดกฎหมายผู้ที่กระทาผิดกฎหมายคือผู้ขับรถผู้ขับรถนี่จะเป็นผู้ที่ถูกจับไปลงโทษกจับไปขังคุกขังตาราง ชั้นใดร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์ใจนี่แหละเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปฆ่าคนนั้นไปฆ่าคนนี้นนน เ, ออเมื่อฆ่าแล้วเขาก็ต้องจับจับใจไปขังแต่เขาจับใจไม่ได้เขาเลยต้องจับร่างกายเพราะเขาไม่เห็นว่าใจอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้ว่ามีใจเขาคิดว่า คนขับกับรถเป็นคนเดียวกันก็เลยขับรถจับรถนี้ไปขังคุกขังตารางหรือไปลงโทษไปปราหารชีวิตคือร่างกายนี้เขาไม่รู้ว่าผู้ที่สั่งให้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนละส่วนกันแต่เวลาจับร่างกายไปก็จับคนสั่งไปด้วย เพราะขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่คนสั่งคือใจกับร่างกายนี้จะอยู่ด้วยกันจะติดกันเหมือนฝาแฝดเหมือนแฝดสยามร่างกายอยู่ที่ไหนใจก็ต้องไปอยู่ที่นั่นร่างกายติดคุกใจก็ต้องติดคุกแต่เวลาที่เอาไปประหารชีวิตเนี่ยเวลาฆ่าร่างกายไปเนี่ยร่างกาย ฆ่าแต่ร่างกายแต่ไม่ได้ฆ่าจิตไม่ได้ได้ฆ่าจิตใจเหมือนกับทําลายรถยนต์ทุบรถยนต์ทิ้งแต่ไม่ได้ทุบคนขับไม่ได้ทําลายคนขับเพราะว่าคนขับนี้ไม่ได้อยู่ในรถยนต์แต่กฎแห่งกรรมนี้จะเป็นผู้ที่มาจับผู้ที่ทําบาปนี้ไปลงโทษต่อพอร่างกายตายไปใจที่อยู่กับ ร่างกายนี้ก็จะแยกออกจากกันแล้วบาปก็จะเป็นผู้ดึงให้ใจนี้ไปรับผลบาปในอบายต่อไปให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสูรล่กายบ้างไปอยู่ในนรกบ้างนี่เป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่มีตาในไม่มีตาที่ จะเห็นกายทิพย์ของเรากายทิพย์ของเราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่กําลังรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เราที่กําลังได้ฟังอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือรับเสียงแล้วส่งไปให้กับผู้รู้ผู้คิดคือใจอีกทีผู้รู้ผู้คิดผู้รู้นี่ เป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วดังนั้นถึงแม้ว่าเราทำบาปแล้วทำผิดกฎหมายแล้วเราอาจจะหลบหนีได้แต่เราอย่าไปคิดว่าโทษของการทำบาปนี้เราจะหนีไปได้ หนีได้ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้หนีไม่พน้นหนีไม่พ้นทั้งทั้งปัจจุบันและอนาคตโทษที่เกิดขึ้นกับผู้กระทำบาปในปัจจุบันคืออะไรก็คือความทุกข์ทรมานใจเวลาทำบาปแล้วจะไม่สบายใจจะกังวลจะวิตกหวาดกลัวกลัวที่จะถูกไปจับลงโทษกลัวที่เขาจะรู้ ว่าเราได้กระทำบาปแล้วจะถูกลังเกียดเดียดฉันอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และจะถูกจับไปลงโทษหรือไม่ก็ตามโทษอันแรกนี้เกิดขึ้นที่ใจแล้วใจไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับวาดภาวา เวลานอนหลับก็จะฝันร้ายมี่คือโทษที่เกิดขึ้นที่จิตใจของผู้กระทาทันทีแล้วโทษที่สองตามมาก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ก็ถูกไปจับลงโทษถูกไปจับขังคุกขังตารางหรือถ้าเป็นโทษหนักก็ปาหารชีวิตแล้วพอตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับโทษต่อ ในโลกทิพย์อีกด้วยเกิดไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกหรือไปได้ร่างกายของเดลฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดลฉานเป็นสัตว์เป็นเสือสิงห์กระถิงราดเพราใจได้เป็นเสือสิงห์กระถิงลาดไปแล้วอพอตายไปก็เลยไปรับร่างกายของเสือสิงห์กระถิงลาดไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำบาป จากการกระทําเสพอบา ย, ยามุกต่างๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีตาทิพย์ทรงเห็นใจผู้รู้ผู้คิดทรงเห็นนั่งทิพย์กายทิพย์นี้ว่าไม่ได้ตายไปกับร่างกายว่าจะเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเป็นบุญก็จะได้ไป ท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆการไปสวรรค์นี้ก็เหมือนกับการไปเที่ยวเมืองนอกดีๆนี่เองหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะไปเที่ยวกันอยู่บ้านแล้วมันชินชากับสภาพแวดล้อมเห็นอะไรแล้วไม่ตื่นตาตื่นใจพอเราได้ไปต่างสถานที่ไปดูสิ่งที่แปลกๆไปดูสิ่งที่สวยที่งาม เราก็เกิดความสุขกันมีความสุขกันการทำบุญก็จะทำให้เกิดผลสองส่วนทันทีส่วนแรกก็คือเราจะมีความสุขใจมีความสบายใจแล้วเวลาที่เราตายไปเราก็จะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ แล้วเวลาเรากลับมาจากสวรรค์ความดีที่เราทําไว้ก็จะรอต้อนรับเราถ้าเราทําบุญเก็บให้เสียสละเงินทองต่างๆไปเวลาเรากลับมาเกิดเราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เพราะการทําบุญนี้เป็นเหมือนเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารของภพหน้าชาตินานั่นเองภพหน้าชาติน่าเวลาเรากลับมาเกิดเราก็ไ ป, ปไปเบิก ได้เลยเราจะมีบัญชีรายชื่อของเราอยู่ในธนาคารมาเกิดเป็นลูกของคนมีฐานะร่ำรวยไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องเป็นขอทานไม่ต้องเป็นยาจกไม่ต้องดิ้นนนหาเงินหาทองถ้าเป็นท่ตายเพราะเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญนั่นเองพอกลับมาเกิด เ, เงินทงเท่าหล่านี้ก็จะมารอเราอยู่ นี่เป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้เข้าหาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระธรรมคำสอนหรืออย่างพระอริยสงสารถ้าเราได้พบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสามบุคคลนี้คือพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ยินได้ฟังและจะได้รับการ ชักจูงชวนเชิญให้ไปกระทำสิ่งที่ดีให้ละเว้นการกระทำสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือมงคลคือเราจะได้รับความสุขความเจริญเราจะป้องกันไม่ให้เราต้องไปพบกับความทุกข์พบกับความเสื่อมเสียต่างๆ น, นี่คือ ความหมายของการครบบัณฑิตบัณฑิตก็ต้องอยู่ที่วัดวาอารามต่างๆเพราะนั่นคือที่อยู่ของบัณฑิตที่อยู่ของคนพาลก็อยู่ตามสถานที่เล่นการพนันสถานที่ดื่มสุรายาเมาสถานที่มีการบันเทิงอะไรต่างมีการัดเล่นอะไรต่างๆ อันนั้นเป็นสถานที่ของคนผ่านอยู่กันเวลาถ้าเราไปอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นเราจะพบแต่คนผ่านถ้าเราอยากจะพบกับคนฉลาดเราก็ต้องไปวัดกันที่วัดนี้จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อยก็จะมีพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้มีพระธรรมคำสอนให้เราได้ศึกษา มีพระ อ, อริยสงสาวกที่จะคอยชวนเชิญเราให้เราไปกระทาในสิ่งที่ดีให้เราไปทำบุญให้เราไปละบาปและให้เราไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่า <c oughs> นอกจากการทำบุญและการไม่ทำบาปแล้วสิ่งที่เราควรจะกระทาอีกข้อหนึ่งก็คือการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราชจากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆเพราะถ้าเรายังไม่ได้ชำระใจของเราใจของเรายังมีโอกาสที่จะไปทาบาปได้ยังมีโอกาสที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆต่อไปถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ เราก็ต้องชำระกิเลสตัณหาความเศร้าหมองต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปให้ได้นี่คือคำสอนของบัณฑิตของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนสามข้อด้วยกันสอนให้ทาบุญสอนให้ละบาปสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระกิเลสตัณหา ที่เป็นเหตุของการไปเวียนว่ายตายเกิดส่วนบุญระบาปนี้เป็นเหตุของการไปอยู่ที่ไปเกิดที่สวรรค์หรือไปเกิดในอบายแต่เหตุที่พาให้ไปเกิดในสวนรรค์ <orc loser. S 1> เหตุที่พาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่งตางๆ ถ้ายังไม่ได้กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญรับผลบาปแล้วเวลาตายไปถ้าไม่ได้ทำบาป ท, ทำแต่บุญก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอบุญที่ได้ ส่งให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นหมดลงใจก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เกิดมาทำบุญทำบาปใหม่ถ้าตายไปแล้วทำบาปถ้าอยู่แล้วไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปตายไปก็จะไปรับผลบาปในอบาย ไปเกิดเป็นเดลฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตเป็นเอาสูรกายไปตกนรกบ้างพอใช้ผลบาปหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทาบุญทาบาปใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทาบุญทาบาปใหม่ก็ต้อง ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภ ก, กาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้การที่จะกำจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากใจให้ได้นั้นจําเป็นจะต้องทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการชําระอย่างเดียว ถ้ายังต้องไปทำอะไรอย่างอื่นอยู่จะไม่มีเวลาพอที่จะมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ผู้ที่อยากจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นจำเป็นที่จะต้องออกบวชกันจำเป็นที่จะต้องจะละ เพศของขาวว่าของผู้คลองเรือนไปสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละครอบครัวสละความสุขของผู้ครองเรือนสละความสุขที่ได้จากลาบยศรรยสรรเสริญสละความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดโพธิภพชนิดต่างๆเพราะการากระทําเหล่านี้ จะทำให้ไม่มีเวลาไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นอกจากไม่ชำระแล้วกับเพิ่มความไม่สะอาดให้มากขึ้นเพราะการกระทำการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส น, นี้เกิดจากการมีความโลภมีความอยากในลาบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพานี้เอง แทนที่จะชำระกับเพิ่มให้มันมีมากขึ้นไปภายในใจแทนที่จะตัดพบตัดชาติให้น้อยลงไปกับทำให้มีภพชาติมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรายังแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไกอยู่เราต้องเลิกแสวงหาราบยศสรรเสริญสุข แล้วไปหาสว่า ง, งหาความสงบซึ่งเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่จะไม่ทำให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะความสุขที่ได้เกิดจากความสงบนี้เป็นผลที่เกิดจากการชำระความโลภความอยากนั่นเองเวลาที่เราทาให้ความโลภความอยากสงบตัวลงไปใจก็จะสงบลง แล้วความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะเลิกหาความสุขจากลาบยศสระเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะได้นี่แหละคือทำไมผู้ที่ต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่ต้องการที่จะมาทุกข์อยู่เรื่อย กับการเวียนว่ายตายเกิดกับการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นที่จะต้องออกบวชกันเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่มีเวลากำจัดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เต็มที่ถ้ายังอยู่แบบเป็นผู้คลองเลือนอยู่นอกจากไม่ได้ชำระแล้วยังเพิ่มความโลภความอยากต่าง ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเพราะถ้ายังหาลาบยศสารเสริญยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็แสดงว่ามีความอยากได้สิ่งเหล่านี้ความอยากได้สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่เรียกว่าเป็นต้นเหตุของการมาเกิดกันคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี่เอง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจารุได้ทรงค้นพบว่าเป็นเหตุที่ดึงให้ใจที่ไม่มีร่างกายมามีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆเวลาร่างกายเสียร่างกายเวลาจิตใจเสียร่างกายนี้ไปใจที่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสได้ลาบยศสรรเสริญ น, นี้จะดึงให้ใจกลับมามีร่างกาย าะจำเป็นจะต้องมีร่างกายถึงจะสามารถหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็เลยจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเกิดมาแต่ละครั้งก็ต้องมาทุกข์กับการอยู่การกินการอยู่การเลี้ยงชีพแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการาภัยต่างๆ ที่จะมีรอบด้านแล้วก็ยังมีทุกข์ที่มาจากความแก่ความเจ็บความตายอีกเนี่พระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะมาเกิดเนพระองค์ก็เลยหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการเจริญสติสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ในในเบื้องต้น พอสตินี้จะหยุดความคิดได้ความคิดนี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาพอคิดถึงอะไรแล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาทันทีเวลาไม่ได้คิดความอยากก็ไม่เกิดนังั้นต้องมาคอยควบคุมความคิดเวลาที่จะคิดไปในทางความอยากก็ต้องหยุดความคิดนั้นคิดอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกรื่นกาย ก็ต้องหยุดมันคิดอยากจะไปหาลาบยศสรรเสริญก็ต้องหยุดมันคิดอยากจะหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องหยุดมันหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายคือความอยากมีร่างกายพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายนี้ก็จะไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายเพราะอยากจะมีร่างกายไปเรื่อย แต่ร่างกายนี้เป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานไม่เกินร้อยปีก็จะต้องหมดสภาพไปแต่ความอยากมีร่างกายยังมีอยู่พอร่างกายตายไปก็เลยต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเอง พระพุทธเจ้าก็เลยใช้สติหยุดมันใช้กรรมใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้ใช้การเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เพ่งดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ขึ้นอยู่กับกรณีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรายังต้องเคลื่อนไหวทางร่างกายร่างกายยังต้องเดินต้องทำงาน ต้องทำอะไรต่างๆก็เพ่งดูที่ร่างกายดูการทำงานของร่างกายเพื่อหยุดความคิดถ้าเราต้องคอยดูการทำงานของร่างกายเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้เพ่งดูการทำงานของร่างกายเราก็ต้องดึงมมาเพ่งดูการทำงานของร่างกายให้ได้ถ้ายังไม่มีกำลังเราก็ต้อง ใช้สติใช้พุทโธดึงมาก่อนใช้อีกวิธีหนึ่งใช้การบริกรรมพุทโธบริกรรมคือท่องพุทโธไปภายในใจท่องพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ถ้าอยู่กับพุทโธแล้วจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอจะคิดไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพระพุทโธ แล้วเดี๋ยวความคิดที่จะไปหาลาบยศสารเสริญก็จะหยุดไปหรือถ้าไม่คิดก็ต้องดึงมาให้ดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กับร่างกายร่างกาย ร, ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลัรงรับประทานอาหารก็รับประทานไปกับร่างกายอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องลาบยศสารเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพ นี่คือสติถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาด้วยการพยายามควบคุมให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับเคลื่อนเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวน่างกายนั่งเฉยๆเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก เฝ้าดูลมหายใจไม่ต้องคิดอะไรถ้าคิดก็สแสดงว่าไม่ได้ดูลมหายใจต้องเดินกลับมาดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกบางท่านก็ใช้พุทธเข้าโทออกหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทบางท่านก็พุทโทเข้าพุทโทออกหรือไม่ว่าเฉยๆก็ได้ดูเฉยๆ รูว่ารู้ว่ากำลังเข้ารู้ว่ากำลังออกแต่ให้รู้อยู่จุดเดียวอย่าไปตามลมอย่าเคลื่อนไปกับลมถ้าตามลมไปตามไปกับลมแล้วใจมันจะไม่นิ่งใจจะไม่อยู่จุดเดียวเราต้องการให้ใจนิ่งให้อยู่จุดเดียวเราต้องดูลมที่จุดเดียวที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องพวกที่เขาดูหน้าท้องเขาก็มักจะพูดว่ายุบหนอ พองหน อ, อเวลาลมเข้าไปในท้องมันก็พองขึ้นมาเวลาลมออกไปก็ยุบบางทีดูแล้วมันยังไปคิดก็เลยต้องใช้ยุบหนอพองหนอมาช่วยดึงเอาไว้หรือพวกที่ดูลมที่ปลายจมูกก็ใช้พุทโธช่วยหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้แต่พวกที่มีสติมีกำลังมาก ไม่จาเป็นจะต้องใช้พุทธโธก็ได้ดูเฉยๆก็ได้ดูที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกที่ปลายจมูกนั่นเองดูอยู่ตรงนั้นถ้าดูแล้วไม่คิดเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบพอใจสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขที่จะทำให้เราเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะได้ เวลาเราออกจากความสงบมานี่แล้วถ้าเกิดใจเรายังอยากไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจสอนให้เรารู้ว่าวิธีหาการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่หาความสุขแต่เป็นการหาความทุกข์มากกว่า เพราะความสุขที่เราได้จากราบยศสลเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพานี้เป็นความสุขชั่วคราวเรียกว่าไม่เที่ยงอันนิจังไม่แน่นอนได้มาแล้วไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่แล้วก็ต้องจากกันในที่สุดเวลาที่ร่างกายตายไปก็จะสูญเสียความสุขที่หามาได้ แล้วพอมสูญเสียความสุขไปสิ่งที่กลับมาแทนที่ก็คือความทุกข์ดังนั้นถ้ามีปัญญาเราจะได้คอยใช้ปัญญาเตือนใจว่าอย่าไปหาลาบยศสารเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสพฐพะเช่นดูภาพยนตร์ฟังเพลงเดิมเครื่องเดิมชนิดต่างๆกินอาหารด้วยความอยากการกระทำเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขในเบื้องต้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ในในต่อมาเวลาที่ไม่สามารถเก็บหรือรักษาสิ่งที่เราหามาได้หรือไม่สามารถหาใหม่ได้เช่นความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวนี้ก็มีความสุขกันพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปไหนหมดไม่รู้เราไม่สามารถ เก็บมันไว้ให้อยู่กับใจเราไปได้ตลอดพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็เลยไม่อยากจะอยู่บ้านเราก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่ออกไปเที่ยวกีครั้งก็เหมือนกันกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเดี๋ยวก็หายไปหมดก็ต้องออกไปอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่สามารถออกไปได้เงินไม่พอใช้ ไม่มีเงินก็จะทุกข์นีหรือร่างกายไม่สบายไปไม่ได้ก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกนี่นี่คือการมองให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นการไปสู่ความสุขชั่วคราวความสุขแบบคอนไฟแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาต่อไปแล้วก็จะพาให้เราจะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ พอเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากก็ไม่ได้ตายไปความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจความอยากนี้ก็จะดึงให้ใจกลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทุกข์ใหม่นี่คือการจเจริญปัญญาให้คิดแบบนี้ เพื่อเราจะได้รู้ทันเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราจะได้เอาภาพที่น่ากลัวนี้มาสอนใจว่ากำลังไปหาความทุกข์นะเหมือนกำลังกาลังไปหายาพิษมาดื่มนะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เป็นยาพิษเราก็จะได้ไม่อยากไปเราก็จะกลับมาอยู่กับความสงบดีกว่ากลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธ อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกเพื่อทําใจให้สงบแล้วต่อไปความอยากที่โผล่ขึ้นมามันก็จะน้อยลงไปบางลงไปเบาลงไปแล้วต่อไปมันก็จะหมดกำลังพอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องพุทธโธ ใจที่สงบใจที่ไม่มีตัณหาความอยากต่างๆมันจะสงบโดยอัตโนมัติไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกตอนนี้ใจของพวกเรามันมีความอยากตลอดเวลาเราจึงต้องใช้พุโทโธใช้ลมหายใจเข้าออกดึงใจให้เข้าข้างในหยุดความอยากนั้นเอง ถ้าเรามีพุโทโธเราก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราวแต่ความอยากไม่ได้ตายไปกับพุโทโธไม่ได้ตายไปกับสติเพียงแต่ถูกสติหยุดเอาไว้เท่านั้นเองปัญญ า, าความอยากจะตายได้ต้องเกิดจากปัญญาปัญญาที่เห็นโทษของการทําตามความอยากว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เหมือนกับไปหายาพิษมาดืม่ม ไปหางูพิษเนมาเป็นเพื่อนแต่เรามักจะเห็นว่าเรากําลังไปหาของดีๆมาให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันไปเพอเกิดจากเกิดการพัดพาดจากกันความสุขที่ได้มาก็หายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ต่างๆนี่คือปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรเราจึงต้องหมั่นพิจารณาไตลักอยู่เรื่อยๆพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสุขเป็นสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขแบบย า, ยาขมเคลือบน้ำตาลน้ำตาลที่เคลือบยาขมมันเป็นผิวบางๆ เวลาอมใหม่ๆมันก็หวานพอน้ำตาลละลายหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ยาขมให้อมอาจาไย้นนทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับความสุขผิวบางๆหุ้มความทุกข์เอาไว้อยู่เวลาได้อะไรมาก็ดีอกดีใจมีความสุขกันแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวหายไปละไปเที่ยวกลับมาบ้านก็หายไปละไปดูภาพยนตร์เสร็จแล้วก็หายไปละฟังอะไรปร๊บก็หายไปละ เดิอมอะายปั๊บก็หายไปแล้วให้มองอย่างนี้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาก็คือมันเป็นของที่เราสั่งไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราโดยตลอดเป็นของเราเพียงชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปอคิดอย่างนี้เป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนธรรมชาติ เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราสั่งไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปเขาก็ไปฝนจะตกก็ตกฝนจะหยุดก็หยุดเราไปสั่งฝนไม่ได้เราก็ไปสั่งราบยศเสรเสรไปสั่งรูปเสียงกนลนดลดไม่ได้ว่าให้มาให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ให้จากเราไปสั่งไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะไปของเขาเขาก็ไปเวลาเขาจะมาเขาก็มา ดังเราต้องฉลาดต้องมีปัญญาเพราะเราถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะได้ไม่ทําตามความอยากเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้คือลาบยศสระเสริญลูปเสียงเกลิดลดผลตภะและร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเมื่อมันเป็นของชั่วคราวมันก็ต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันจากเราไปนั่นเองะ นี่คือปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้สติหยุดได้ชั่วคราวตอนต้นต้องใช้สติก่อนเพราะปัญญานี่ยากที่เราจะสามารถผลิตขึ้นมาเพื่อหยุดความอยากได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าหยุดความอยากไปแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรพอเห็นมีแต่ความทุกเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากนี่มันรู้สึกทรมานใจ มากแล้วจะไปหยุดมันทำไมมีแต่ต้องทำตามความอยากกันทั้งนั้นเราต้องมาหยุดความอยากด้วยสติก่อนเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายให้เราเพ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อหยุดความคิดเมื่อเราหยุดความคิดแล้วความอยากก็จะหยุดตามเมื่อความอยากหยุดตามใจก็จะสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือความสุข ที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับถ้าเราไม่ทำตามความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราจะได้จากการทำตามความอยากเนี่ยเราต้องสร้างความสุขอันนี้ขึ้นมาก่อนด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้สติเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการเพ่งดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ แล้วถ้าเรานั่งหลับตานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปรับรองได้ว่าถ้าพยายามทำต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งตอนนี้จิตเรากระจายออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องดึงมันกลับเข้าไปข้างในให้มันรวมกันที่ฐานของจิตที่เรียกว่าสมาธิด้วยการดึง ด้วยการใช้พุทธโธดึงใจเข้าไปดึงความคิดหยุดความคิดนั่นเองความคิดเราจะออกไปทางตาหูจมูกมือกายคิดว่าจะดูอะไรดีคิดว่าจะฟังอะไรดีคิดว่าจะดื่มอะไรดีจะรับประทานอะไรดีคิดว่าจะจับสัมผสัสอะไรดีอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆใจเราเลยไม่เคยรวมเป็นหนึ่งไม่เคยพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ต้องอาศัยความสุขที่เกิดจากความอยากที่เป็นความทุกข์ที่จะเป็นความทุกข์ต่อไปหลังจากที่ความสุขที่ได้จากความอยากนั้นมันเสื่อมหรือมันหมดไปนั่นเองนี่คือปัญญาเท่านั้นถ้าเราเห็นแล้วว่าการทำตามความอยากคือทำการทำตามกามตาหาความอยากในรูปเสียงกลิก่นรส ก, การทำตามอยากในเพ่าตามความอยาก เป็นอยากมีภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นอยากไม่มีวิภาวะตัณหาจะนำไปสู่ความทุกข์ทุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มพอเริ่มมีความอยากใจก็สั่นแล้วใจก็กระเพิ่มแล้วใจก็ไม่สบายแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องไปทำสิ่งที่อยากเท่านั้นถึงจะหยุดความความสั่นของใจความ ความไม่สบายใจของใจแต่เป็นการหยุดเพียงชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดวิธีที่จะหยุดความอยากต้องใช้ปัญญาหยุดอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาหยุดแบบชั่วคราวก็ใช้สติถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องใช้สติก่อนหัดเจริญสติก่อน ผัดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดไปหาลาบยศสะรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสเนหรือให้เพ่งดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิรยาบทในทุกการกระทาให้อยู่กับร่างกายไปอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอไป แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งได้แล้วเราจะได้เห็นประโยชน์ของการหยุดความอยากว่านี่แหละคือการหยุดความอยากการไม่ทำตามความอยากเราจะได้อะไรจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเรารู้แล้วเทนี้เราก็ใช้ปัญญากําจัดความอยากต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพออยากได้อะไรก็ ใช้ปัญญาก็มาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขัง alors. มันเป็นทุกทุกเพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้นี่คืออนัตตาไม่ใช่ของเรา เป็นของธรรมชาติของทุกอย่างที่เราอยากได้ในโลกนี้เป็นของธรรมชาติทั้งนั้นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาตกไม่ได้สั่งให้เขาหยุดตกไม่ได้สั่งให้พระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้สั่งให้ตกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเขามาแล้วเขาไปถ้าเราไปอยากให้เขา เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกใจในเกิดปัญญาให้ทำอย่างนี้แล้วต่อไปจะกลัวความอยากจะไม่กล้าทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากพออยู่เฉยๆกับมีความสุขมากกว่าตอนที่ได้ทำตามความอยากใจที่ไม่มีความอยากแล้วนี้จะมีความสุขไปตลอดเวลา นีหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ชำระใจของท่านได้สะอาดบริสุทธิ์แล้วตามได้ชำระความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปแล้วใจของท่านก็เลยสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องใช้สติพุทโธพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกอยู่ในอิริยาบถใดรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็รู้ได้อย่างสบายรู้อย่างไม่มีความทุกข์เพราะรู้แบบไม่มีความอยากเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือไม่อยากให้ไม่มีหรือไม่อยากให้ไม่เป็นรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เนี่ยรู้แบบไม่มีความอยากนี่แหละเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความรู้ของพระอรหันตสาวกเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านนำมาสั่งมาสอนพวกเรา ให้รู้กันแบบนี้เพราะรู้แบบนี้แล้วจะรู้อย่างมีจะรู้อย่างอย่างมีความสุขที่เรียกว่าบร ม, มสุขนิบานังปรมังสุขขังนี้เองนิพพานก็คือจิตที่ปราศ จ, จากความอยากจิตที่สักแต่ว่ารู้รู้โดยไม่มีความอยากเห็นลาบยศสารเสรินก็เฉยเฉยไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจไม่ได้อยากได้หรือไม่ได้อยากเสียถ้ามีต้องเก็บเอาไว้ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ ถ้ายังไม่ต้องใช้ก็ไม่เอาไปใช้ถ้าถึงเวลาต้องใช้ก็ใช้ไปถ้ายังแต่ไม่มีความอยากมีหรืออยากไม่มีถ้ายังอยากไม่มีก็จะทุกข์เวลาอยากไม่ได้เงินพอใครให้เงินมาก็จะทุกข์งั้นก็ต้องเฉยๆใครให้เงินมาก็รับเอาไว้ไม่ยินดี veto. ไม่ยินร้ายเวลาจะต้องให้เขาไปก็ให้เขาไป คือให้รู้เฉยๆอย่ า, ไ ป, même, ยาไปรู้ด้ว ย, ยากวยา ม, มาตัณหาอย่าไปรู้ด้วยภาวะตัณหารู้ด้วยวิภาวะตัณหาอย่างที่เรารู้กันพอเราเห็นเงินทองนี้เกิดภาวะตัณหาขึ้นมาอยากได้ขึ hearts, <Estado> ้นมาทันทีพอได้ของไม่ดีก็เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาทันทีอยากจะหนีมันไปทันทีพอเจอใครก็ด่าเรานี้ก็อยากจะหนีไปทันทีพอเจอเรื่องเจอปัญหาอะไรต่างๆก็อยากจะทิ้งมันทันที อันนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ารู้เฉยๆแล้วจะไม่ทุกข์คายด่าก็รู้เฉยๆไม่ต้องหนีไม่อยากหนีฟังไปมีหูก็ฟังไปมีปากก็ปล่อยเ็าว่าไปเดี๋ยวเขาก็เมื่อยเขาก็หยุดเองถ้าใจมันเฉยแล้วใจไม่มีความอยากแล้วมันไม่สะทกสะท้านกับอะไรทั้งนั้นนี่แหละคือใจของใจที่ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว จะอยู่อย่างเป็นสุขตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขไม่ต้องเป็นเศรษฐีไม่ต้องเป็นประธานาธิบดีไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องมีใครมายกย่องสรรเสริญเยืนยอไม่ต้องมีอะไรมาป้อนความไม่มีต้องมีละครมาให้ดูไม่ต้องมีอาหารมาให้กินให้ดื่มอยู่อย่างมีความสุข เพราะไม่มีความอยากใจนี้สุขเพราะไม่มีความอยากนี่คือความสุขอันสูงสุดนะ ต, ตอนนี้ถ้าเรายังไม่สามารถหาความสุขขั้นสูงสุดได้ก็เอาขั้นเอาความสุขขั้นต่ําก่อนก็คือการทําบุญทําบุญแล้วเราจะมีความสุขเวลาเราเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองประโยชน์สุขที่เรามีให้แก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขใจกลับมาทันที ความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นมา ท, าทันทีแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่านี้เราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปทำใจให้สงบหยุดความอยากให้ได้หยุดความอยากแล้วเราจะได้พบความสุขแล้วขั้นต่อไปก็ทำลายความอยากที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบด้วยปัญญานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาบัณฑิต เราจะได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่จะทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราในการที่จะเกิดประโยชน์ได้เราก็ต้องกระทําความมงคลข้อที่สามก็คือบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาบูชาพระรันาตนตรัยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูบบชานี้เองคือบูชา ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราปฏิบัติสอนให้เราทําบุญสอนให้เราละบาปสอนให้เราชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอมิตสบูชานี้เป็นเพียงแต่การแสดงความเคารพเท่านั้นแยังไม่เกิดผล ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดจากการปฏิบัติบูชาคือการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต้องเกิดจากการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าปฏิบัติปฏิบั ต, ติบตแบบพระอรหันตาสาวกเะครัท่านปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้นท่านได้ผลอย่างไรเราก็ต้องได้ผลอย่างนั้น เหมือนพ่อแม่กินอาหารอย่างไรลูกก็กินอาหารอย่างนั้นพ่อแม่กินอาหารอย่างนั้นลูกกินอาหารอย่างนั้นพ่อแม่อิ่มลูกก็ต้องอิ่มเหมือนกันเหตุกับผลมันเป็นอย่างนี้พระพุทธจเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพออระอรหันตาสาวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกยิดฉันได้บรมมาสุขจากพระนิพพานถ้าเราปฏิบัต ดีปฏิบัติชอบเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอรันตาสาวกเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระนิพพานเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะนี่คือกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือกฎของเหตุของผลนี่เองปลูกต้นไม้ปลูกชนิดใดก็ต้องได้ผลอย่างนั้นปลูกกล้วยก็ต้องได้กล้วยปลูกมะพร้าวก็ต้องได้มะพร้าว ปลูกมรรคผล น, นิพพานก็จะต้องได้มรรคผล น, นิพพานดังนั้นเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเรายังจะสามารถปลูกมรรคผล น, นิพพานให้เกิด um ขึ้นมาได้หรือเปล่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ไดเอามรรคผลนิพพานไปกับท่านมรรคผลนิพพานอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การปฏิบัติบูชาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าเราทำการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้ปฏิบัติบูชาแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติบูชาก็คือมงคลอันสูงสุดก็คือการได้ถึงพระนิพพานการได้ทำใจให้เราสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของความเป็นมงคลของชีวิตที่พวกเรา ได้มากระทำกันในวันนี้ในวันมงคลคือวันพระวันธรรมวสวนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนน้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเป็นิริมงคลแก่ชีวิตของท่านที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุระนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดป้าเมวะสเมจจโตสาเพปุรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ภราส so ุยทาสพิตโยวิวาจานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศิลิสนิจังวุทธาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขัง พาลาัใครมีคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมเราจะขออนุญาตงดถามตอบปัญหาถ้าไม่อยากจะถามผ่านไมก็ให้เขียนข้อความเข้ามาแล้วจะให้ทางกองงานโฆษกได้อ่านวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่สามรยสี่สิบคนคะ่ะ แล้วทางยู u ูบเจ็ดสิบคน ค, คนแล้วก็ทางไลน์เป็นหนึ่งพันสามรอแปดสิบห้าคนคะ่ะเพิ่งจากเมื่อวานสี่ร้อยแปดสิบห้าคนคนค่อยเริ่มรู้จักกันใครมีไลน์ก็สามารถเข้ามาแอดเป็นเป็นเข้ามาในกลุ่มได้ติดตามจะมีการโพสต์คำสอนมีการบอกเวลาเวลามีการถ่ายทอดสดให้ทราบอ่า มีใครอยากจะถามอะไรไหมวันนี้ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวรอก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ทางบ้านที่เขาส่งคําถามเข้ามาถามดูเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้เผื่อฟังแล้วอยากจะถามอะไรค่อยถามต่ อ, เ, อเชิญคําถามจากอินบ็อกส์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์การนั่งสมาธิข้ามเวทนาถ้าผ่านได้เราจะได้ชั้นสี่ไหมเจ้าคะ แล้วใช้ชาญสีไปตัดกิเลสได้ไหมเจ้าค้ากราบขอบพระคุณคะ่ะมันก็ไม่ได้บอกในะเวลาผ่านแล้วว่าชาญสีโผล่ขึ้นมาก็เลยไม่ได้รู้ว่ามันเป็นชาญสีหรือเป็นอะไรแต่มันก็จะเป็นความสง บ, เ ป, สงบเป็นความสงบแบบกล้าหาญเป็นความสงบที่จะไม่กลัวความเจ็บแล้วมันก็จะทำให้ไปสู้กับกิเลสที่กลัวความเจ็บได้ต่อไปต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บ เวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่ร้องหายาแก้ปวดเพราะใจไม่เจ็บใจเฉยอันนี้ก็จะถ้าผ่านเวทนาได้มันจะมีกําลังมากใจจะมีกําลังมากงั้นก็ขอให้พยายามผ่านให้ได้เวลาเจอเวทนาอย่าลุกใช้สติพุทโธไปก่อนถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นใช้ปัญญาเป็นก็แยกแยากใจออ ก, กจากจากร่างกายจาก เวทนาว่าเป็นคนละเรื่องกันคนละอย่างกันไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวกันได้น่างกายก็ต้องเป็นร่างกายความเจ็บก็ต้องเป็นความเจ็บใจก็เป็นผู้รู้ก็ต้องรู้ไม่มีใครเป็นคนเจ็บผู้รู้ไม่ได้เจ็บน่่งกายก็ไม่ได้เจ็บเจ็บก็คือเวทนาเวทนาก็คือความเจ็บถ้าปล่อยให้ต่างต่างต่างฝ่ายาหน้าที่ไป ร่างกายก็นั่งเฉยๆไปร่างกายเป็นเหมือนเก้าอี้เป็นดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้เรื่องหร้วว่าเขาเจ็บหรือไม่เจ็บเก้าอี้เวลาเราไปนั่งนานๆมันบ่นหรือเปล่ามันเจ็บมันไม่บน่นร่างกายมันก็ไม่ได้บน่นมันเจ็บคนที่บ่นก็คือใจที่ไปรับรู้ความเจ็บเท่านั้นเองเราต้องดึงใจออกจากร่างกายดึงใจออกจากความเจ็บให้ใจมาเป็นผู้รู้เฉยๆด้วยการสอนใจแล้วก็ ดึงออกมาด้วยพุทโธพุทโธไปอย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปยุ่งกับเวทนาความเจ็บมันจะเจ็บเราไปสั่งมันให้หายเจ็บไม่ได้เดี๋ยวมันจะหายมันหายเองถ้าไม่หายก็หัดอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันได้แล้วมันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ใจเราอยู่กับมันไม่ได้เกลียดมันอยากจะให้มันหายยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายถือว่ามันเป็นเพื่อนเราเป็นเงาตามตัวเราเห็นมไหมเราเราอยากจะไล่เงาให้หนีไปได้ไหมเดินไปไหนไม่อยากให้มีเงาตามตัวนี่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเงาเงาก็ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไปยุ่งกับมันอยากให้มันหายมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีดังั้นเราต้องหัดสอนใจให้อยู่กับ ความเจ็บให้ได้ว่าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไล่มันไม่ได้เวลามันมาจะไล่ให้มันไปก็ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือเป็นเพื่อนมันอยู่กับมันไปเหมือนคนที่เขามาสมัครเป็นเพื่อนเราผ่านทางลายหรือผ่านทางเฟซก็ให้เขาเป็นเพื่อนไปรับสมัครไปก็จบถ้าคอยไปบล็อกเขาเดี๋ยวก็หาววิธีอื่นเข้ามาเดี๋ยวก็จะเบื่อจะทุกข์ อยากจะเป็นก็เป็นอยากจะเป็นเพื่อนก็เป็นเวทนามันจะอยู่กับเราก็ให้มันอยู่ไปมันมาขออยู่ขอพบขอเจอเราเราอย่าไปอยากให้มันหายทำใจดีสู้เสือเสือจะมาขอพบเราก็ต้องเจอมันถ้าเจอมันแล้วมันจะไม่กัดเรานี่คือวิธีถ้าเราผ่านได้แล้วจิตจะสงบจิตจะเฉยเป็นอุนเบกขา อุเบกขานี่ก็เป็นคุณสมบัติของฌานสี่ถ้าไปอ่านในหนังสือฌานหนึ่งจะมีวิตกวิจารณ์มีสุขมีปิติพอไปถึงฌานสี่ก็เหลือแต่อุเบกขาเนื่อถ้าจิตผ่านทุ ก, กเวทนาไปได้มันก็จะเป็นอุเบกขามันก็จะสักแต่ว่ารู้มันจะเฉยเฉยเวทนาจะอยู่ก็อยู่กับมันได้เวทนาบางทีก็หายไปก็มีเมื่อมันหมดวาระที่มันจะอยู่มันก็หายไปเอง ขอให้ใช้สติหรือใช้ปัญญาอย่าใช้การขยับร่างกายขยับมันเดี๋ยวมันก็ตามมาใหม่ร่างกายมันเป็นที่ตั้งของความเจ็บเปลี่ยนอริยบทยังไงเดี๋ยวมันก็เจ็บอยู่นั่นแหละแล้วมันจะต้องมีวันที่เปลี่ยนยังไงก็ไม่หายเจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาปวดท้องปวดศรีรษะจะนอนจะยืนจะนั่งมันก็ปวดอยู่อย่างนั้นแต่มันจะปวดเพียงครึ่งเดียวถ้าเรามีปัญญาหรือมีสติ มันจะไม่ปวดที่ใจปวดที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้าเรายอมรับมันอย่าไปปฏิเสธมันอย่าไปขับไล่มันอย่าไปอยากให้มันหายข้อต่อไปคําถามจากลายค่ะจากคุณสุจิตราขอฝากกลับเรียนถามพระอาจารย์สุชาติว่าถ้าต้องการขายที่ดินเปล่าเนื้อที่หนึ่งไร่ <c oughs> แต่ในที่ดินมีต้นไม้ใหญ่มากเช่นต้นไซอยู่สามต้น ขึ้นมาประมาณ25ห้าปีถ้าจะทำการตัดต้นไซจะทำได้หรือไม่ตามความเชื่อคนโดยทั่วไปเขาบอกว่าจะมีเทวดาสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้นั้นดังนั้นเราควรตัดหรือไม่ควรตัดจะดีกว่าเจ้าคะและถ้าเราจำเป็นต้องตัดจะต้องทำอย่างไรถ้าเราเชื่อเราก็จุดทูบเทียนขออนุญาตเทวดาก่อนก่อนจะตัดก็จุดทูบเทียนแล้วรอดูสักสอสามวัน ว่ามีอะไรมายับยั้งการตัดหรือไม่ถ้าไม่มีก็ตัดไปออคำถามจาก Facebook ค่ะจากคุณพัทออพรพัทเศรานนท์เขาเลยแจ้งความว่าโยมทาด่าจะตกตีก้าล้อก้าตำรวจไม่ไกลเกลี่ยอายุมากแล้วไปไหนลำบากเลยเอาโหสิกรรมถูกต้องหรือเปล่า แต่ก็ทําให้ลําบากในการดํารงชีพกราบนมสัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทําอะไรนะน้องน้องอ่านใหม่ที่ไม่เข้าใจคําถามเขาเขียนว่าทําดาษจะตกตีน่าจะเป็นทําท่าจะตกตีทำท่าจะตกตีตกก้าวล้อก้าวมีอย่างนี้ก้าวล้อก้าวมันเป็นยงไงอาจารย์ก็อดดุเขาก็องโภมปัญหป่วยไม่มีจะสต่ความเงินไปเจ็ดถึงแปดหมืน่นต่อหน้าตํารวจไม่มีใครช่วยสุไปเลยอลย แลก็ลตตอยเมคิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันใช้กรรมไปก็แล้วกันอย่าไปโกรธเพราะว่ามันจะทําให้เราทุกข์สองชั้นเสียเงินแล้วเสียใจยังต้องมาเสียใจอีกเสียชั้นเดียวก็พอเสียเงินอย่ามาเสียใจนะรักษาใจไว้ดีกว่าใจนี่สําคัญกว่าเงินทองถ้าใจไม่เสียแล้วใจจะยังสุขได้ถ้ามองว่าเป็นการทําบุญไป แทนที่จะเสียใจกับกลายเป็นความสุขใจขึ้นมาเวลาเราทำบุญทาไมเราสุขใจมันก็เป็นเงินเหมือนกันใช่ไหมแต่เราเสียด้วยความยินดีพอเราเสียด้วยความไม่ยินดีเราก็ทุกข์ใจเราก็ต้องพลิกความทุกข์ใจให้เป็นความสุขใจด้วยการยินดีไหนๆมันจะไปแล้วเราไปทุกข์มันทาไมไปให้มันไปแล้วมันให้เราความสุขดีกว่าก็คิดว่ามันถึงเวลาของมันที่จะต้องจากเราไป ก็ปล่อยมันไปนั่นเองแล้วเราก็จะไม่ทุกข์คิดว่าเป็นการทาบุญถึงเวลาที่เราต้องทำบุญแล้วคิดอย่างนี้ธรรมดาไม่อยากจะทำบุญเทวดาก็เลยต้องมาบังคับให้ทําพอได้ทำบุ ญ, แ ล, บญแล้วก็คิดว่าเป็นการทำบุญพอก้าวเงินไปแล้วก็คิดว่าเป็นการทาบุญแล้วแทนที่จะเสียใจกับมีความสุขใจรับรองได้ถ้าเราพลิกใจเราได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ย ให้การสูญเสียให้เป็นการเป็นการได้กลับคืนมาเสียเงินแต่เราได้ความสุขใจเหมือนญาติโยมวันนี้มาทำบุญทำทานเสียเงินเสียทองกันแต่ญาติโยมได้ความสุขใจกลับไปเหมือนกันเงินก้อนเดียวกันถ้าไก่ถ้าเงินที่โยมจะมาทำบุญนี่หาให้ไปก่อนโยมก็เสียใจแต่ถ้าโยมฉลาดคิดว่ามันก็เป็นเหมือนกับทำบุญ เพียงแต่ไม่ได้ทํากับพระอาจจะไปทํากับคนที่ก็เอาเงินนั้นไปก็เหมือนกันก็เป็นทานทําบุญทําทานก็ได้บุญเหมือนกัน mm. นั้นเวลาเราสูญเสียอะไรไปขอให้เราคิดว่าเป็นการทําบุญแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจเสียแฟนไปก็จะไม่ทุกข์ใจเป็นการทําบุญ mm. เสียลูกไปก็เห็นมพระเวสสันดรท่านไม่เสียใจท่านคิดว่าเป็นการทําทานนพระเวสสันดรท่านมุ่งไปที่ทานเป็นหลักนั้นใครมาขออะไรให้หมดเลย ขอลูกก็ให้ท่านไม่ได้เป็นคนใจไม้ไส้ละกันแต่ท่านเห็นว่ายังไงก็ต้องเสียต้องจากกันวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจะจากใครมาเอาก็เอาไปเลยถือว่าเป็นการทำบุญไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราเสียอะไรเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีแต่ความสุขใจไปตลอดคำถามจาก Facebook l ล v e ค่ะจากคุณวันสุข การที่คนเราเห็นความสุขแตกต่างกันเช่นบางคนมีความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่อีกคนเห็นว่าถ้าใช้พยายามเข้าถึงความสงบได้แล้วจะมีความสุขอันนี้เป็นผลมาจากการสะสมบุญบา ร, รมีของแต่ละคนมีมาไม่เท่ากันถึงทำให้เลือกวิถีความสุขแตกต่างกันใช่ไหมคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือแต่ละคนก็ใช้วิธีต่างๆหาความสุขกัน ความสุขก็มีหลายรูปแบบเหมือนอาหารมีหลายชนิดคนก็เลือกกินอาหารที่กินแล้วทำให้มีความสุขทำบุญแบบไหนก็มีความสุขเขาก็ติดบุญแบบนั้นมาถ้าช่วยเหลือคนมีความสุขเขาก็จะชอบช่วยเหลือคนถ้าให้ให้เงินผู้อื่นก้มีความสุขเขาก็จะให้เงินผู้อื่นถ้าปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบได้เขามีความสุขเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมกัน งั้นก็มีหลายวิธีแล้วแต่ว่าได้ฝึกฝนอบรมมาในอดีตอย่างไรคนถามต่อไปจากคุณสุภัตตาค่ะกลาบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าคําว่าสัพพทุกขะสัพพะพยาสัพพะโรคาวินาศสันตุมีความหมายว่าอย่างไรคะสัพพก็แปลว่าทั้งหลายพะยะก็ภัยภัยทั้งหลายทุกทั้งหลาย อันตรายทั้งหลายจงอย่ามีกับเราเถิดอะไรทํานองนี้แหละคอะคาถามจากคุณพิพัฒ พ, พงค์ค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์จิตแต่และดวงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับอันนี้ไม่มีใครตอบได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถาหาที่เกิดของจิตได้ก็อย่าไปสนใจว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราต้องรู้ประเด็นที่เราต้องรู้ว่าจิตทุกข์แล้วเราดับมันได้อย่างไร นี่คือประเด็นเพราะถ้าจิตถ้ารู้ว่าจิตมาเกิดมาได้ไงแต่ไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ของจิตก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนซให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ของจิตดีกว่ามันจะเกิดมาได้อย่างไรเมื่อไหร่ไม่เป็นประเด็นสําคัญถ้าจิตทุกข์แล้วระดับไม่ได้เราก็ต้องทุกข์ไปกับมันแต่ถ้าเราหยุดดับความทุกข์ได้เราก็จะสุขไ ป, ไปตลอดองั้นมาให้ความสําคัญกับการหาวิธีดับความทุกข์ดีกว่า นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกมุ่งไปที่จุดนี้จุดเดียวคือการดับทุกเนพระพุทธเจ้าบอกคำสอนของเรามีมากมายในพระไตรปิฎกนี้มีถึงแปดหมนสี่พันธรรมบทและทุกคำสอนนี่สอนเรื่องเดียวเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีรสอย่างเดียวคือรสของความเข็มจันไดรสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีรสเดียว คือรถของการดับทุกนี้เองเดีั้นขอให้เรามาสนใจกับเรื่องการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราดีกว่าอย่าไปสนใจกับเรื่องการเกิดของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรานรัตสการค่ะหลวงพ่อหลวงจะถามเรื่องสมาธิยาเจ้าค่ะหลวงเป็นโรคภูมิแพ้หลวงพ่อเวลานั่งก็จะบางวันก็จะนั่งแล้วมีน้ำมูกไหล แล้วทีนี้ส่วนตัวหนูที่ผ่านมาหนูก็จะปล่อยให้มันไหลเจ้าค่ะแล้วหนูก็มีเพื่อนทำมาด้วยกันก็บอกว่าเออเอ๋เราก็ค่อยๆหยิบกระดาษชิ้วๆแต่อย่างมีสติแล้วเจ้าคะแล้วหนูก็เก็บความรู้สึกตรงนี้ว่าหนูยังสงสัยแล้วเจ้าคะว่าหนูควรจะปล่อยให้โลคภูมิแพ้ที่มีน้ำมูกไหลตอนขณะนั่งสมาธิให้มันไหลไปหรือก็ปล่อยมันไหลไปเหมือนตอนเรานอนหลับ เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนั่งสมาธิก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องการที่จะ ย, ยุ่งกับร่างกายถ้ายุ่งกับร่างกายจิตก็จะสงบไม่ได้เะฉนั้นปล่อยมันไหลไปสจะได้หายสงสัยเ อ, อถ้ามันไม่เป็นภัยต่อร่างกายมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ไปตื่นมาคอยเช็ดมันใช่ไอมหลับแล้วก็หลับไปมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไป นั่งสมาธิก็เหมือนกันเราต้องการที่จะปล่อยร่างกายให้จิตเข้าสู่ความสงบก็ต้องอย่าไปยุ่งกับร่างกายคําถามต่อไปค่ะคําถามจากคุณเพนจันทร์ค่ะการพิจารณารูปนามทําอย่างไรและในระหว่างวันที่ทํางานสามารถทําได้อย่างไรเจ้าคะคือรูปนามนี่ก็มีอยู่ ห้าชนิดด้วยการรูปมีอยู่หนึ่งคือร่างกายนามมีอยู่สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในการพิจารณานี้ท่านให้พิจารณารูปก่อนเพราะมันมันหยาบกว่านามนอกจากว่ามันถ้านามมันมามันมาแรงก็พิจารณาเวทเวทนานามได้ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันมันเป็นของชั่วคราว มันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นของเราเช่นร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับร่างกายแล้วเราจะไม่กังวลกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วถ้าเกิดมีความเจ็บโผล่้นมารุนแรงเช่นปวดท้องปวดศีรษะ ก็พิจารณาว่ามันก็เป็นเวทนาเป็นนามมันก็เป็นมันก็เป็นตายรักเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันมันมาแล้วเดียวมันก็ไปแล้วเราก็สั่งมันไม่ได้เวลามันมาสั่งให้มันไปก็ไม่ได้เวลามันไม่มาเรียกมันมาก็ไม่ได้นี่คือเวทนาคือนามรูปก็คือร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นที่เราไปทุกข์ไปกังวลด้วย ร่างกายของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาก็ต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนาคือความเจ็บของเขาก็เหมือนกันร่างกายของเขาของทุกคนก็ต้องมีความเจ็บเจ็บบ้างเจ็บมากเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บช้าเจ็บเร็วเจ็บแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ไล่มันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันหายเองอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มัน เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์นี่คือการพิจารณารูปกับนามในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานเรื่องการก็เห็นร่างกายใครก็บอกเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็เจ็บร่างกายเราก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายเราก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปฆ่าเขาให้เสียเวลาให้เหนื่อยเปล่าๆโกรธเขา เวลากดท้ายก็บอกเดี๋ยวมันก็ตายเออไม่ต้องไปทําอะไรแร้วไปติดคุกแทนมันทําไมไปติดคุกให้ไปฆ่ามันแล้วเราไปติดคุกทําไมเอเราอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวมันก็ตายเอดอย่านี้ไม่มีใครไม่ตายคิอย่านี้แล้วเราจะสบายใจห่วงใครก็ห่วงไม่ได้ห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายเเออคิดอย่างนี้แล้วมันจะคิดว่าเอ่อตอนนี้ยังไม่ตายเราควรจะทําอะไรกันดีๆต่อกันไม่ดีกว่าแล้วตอนที่เรามีโอกาส ดีกว่ามาร้องห่มร้องไห้หน้าลงศพแล้วบอกเสียดายไม่ได้ทำอย่างนู้นไม่ได้ทำอย่างนี้เพราะเราไม่ค่อยคิดถึงความตายกันเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเราก็เลยไม่ค่อยสนใจที่เราจะมาทำอะไรให้ความสุขต่อกันมัวแต่แก่งแย่งชิงดีกันทะเลาะวิวาทกันต่อไปถ้าเราเห็นความตายว่าทุกคนจะต้องพบเราก็จะได้มองโลกอีกมุมหนึ่งว่าตอนนี้เรายังอยู่เราควรที่จะ ดูแลการช่วยเหลือกันให้ความสุขต่อกันพราะเดี๋ยวไม่นานก็ต้องจากกันแล้วจะมาทะเลาะกันมาแก่งแย่งชิงดีกันทาไมได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์นี่คือประโยชน์ของการพิจารณาลูปกับน้ำคือพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามความแก่ความตายก็เป็นรูปความเจ็บก็เป็นนามเวทนาคาถามจากคุณบรรลุ กลับเบียนถามพระอาจารย์ครับว่าการตามดูความคิดตัวเองเป็นการปฏิบัติที่ถูกกล้องไหมครับไม่ถู ก, กสําหรับผู้เริ่มต้นนี้ตามไม่ได้ต้องหยุดมันอย่างเดียวถ้าตามแล้วก็ตามมันไม่ทันเดี๋ยวมันไปโกยไข่ก็หยุดมันไม่ได้มันโลภก็หยุดมไม่ได้เราก็จ้ทุกข์กับการการการการกระทําของมันนั้นขั้นตอ น, นเราต้องหัดหยุดมันเหมือนกับตามจับ จะพัวควายที่มันนี้ออกจากกรงเนี่ยจากคอกต้องไปจับมันหยุดมันให้ได้ผูกมันไว้กับต้นไม้กับเลื้อดึกมันกลับเข้าคอกให้ได้ควบคุมบังคับมันให้ได้ถ้าไปวิ่งตามันก็มันจะไปชนใครไปขิดใครมันจะไปทําอะไรเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ในจิตเรากถ้าไปตามันไปความดูความคิดมันเดี๋ยวมันคิดด่าใครมันก็ด่าคิดโกรธใครมันก็โกรธขึ้นมาเอ เราต้องหยุดมันก่อนหัดหยุดมันให้ได้ก่อนหยุดแล้วทีนี้ก็สอนมันให้มันคิดไปในทางที่ถูกที่ควรเหมือนกับวัวควายตอนต้นต้องจับมันให้ได้ก่อนจับมันได้ก็ขึ้นขี่หลังมันแล้วก็บังคับให้มันเดินกลับเข้าคอกไปใจก็เหมือนกันใจเหมือนวัวควายที่เตลิดเปิดเปิงไม่มีสติไม่มีอะไรคอยควบคุมมันก็เลยออกไปนอกคอกแล้วก็ไปสร้างความเสียหายต่าง เราต้องดึงมันกลับเข้ามาหยุดมันแล้วก็ดึงมันกลับเข้าไปในข้อสอนให้มันไปทำในสิ่งที่ดีอย่าไปให้มันทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะตอนนี้ความคิดของเรามันจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเสียส่วนใหญ่ไปตามมันแล้วพอมันคิดแล้วเราตามไม่ทันหยุดมันไม่ได้ต้องหัดหยุดมันก่อนวิธีหยุดก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วต่อไปเราก็จะสั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ คำถามจากคุณธรรมในจิตขอกราบนมัส ก, การเรียนถามว่าโยมอยากออกจากงานเพื่อมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเพราะถ้าทำงานอยู่เวลาปฏิบัติน้อยไม่ต่อเรื่องเจ้าค่ะแต่โยมมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาโยมควรทำอย่างไรเจ้าคะก็หาคนอื่มาดูแทนเลยหาเงินหาทองสักก้อนหนึ่งแล้วจ้างคนใครมาคอยดูแล เราก็ยังดูแลแบบห่างๆได้ติดตามดูถ้าเกิดเวลาเขามีอะไรที่เราต้องเข้ามาดูแลเองก็ค่อยเข้ามาเวลาที่ไม่ต้องก็เราก็ไปปฏิบัติของเราอถ้าเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เราจ้างเขาให้เราให้ดูแลเขายังดูแลไม่ถึงที่เราก็ต้องอาจจะต้องออกมาช่วข่าวก่อนมาทําหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่พอเขาอยู่ได้ตามปกติ ก็เราก็ไปปฏิบัติของเราจ้างให้คนเขามาทํากับข้าวมาทําอาหารหรือเลวกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าอะไรให้ไปทําหน้าที่แทนเราไปถ้าเรามีเงินทองพอญาติจ้าจงถ้าไม่มีถ้าเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ก็ปฏิบัติที่บ้านไปเวลาที่เราไม่ต้องดูแลพ่อแม่เราก็ปฏิบัติของเราไปก็ไปอยู่ในห้องของเรานั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะ หาที่เดินจงกรมกังเราไปพอถึงเวลาต้องทำหน้าที่เราก็ค่อยทำหน้าที่เพราะเราไม่ได้ทาหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงมีเวลาเป็นของเราเราก็เอามาปฏิบัติทำได้คำถามจากคุณสรารวิทข้อหนึ่งกรณีที่ผู้ป่วยอาการหนักหมอบอกญาติให้ทำใจแนะนำให้ฉีดยาให้ผู้ป่วยหลับไปเลยวงเล็บจากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวด เช่นนี้จะผิดศีลปาณาบาปหรือเปล่าครับและญาที่เซ็นอนุญาตให้หมอฉีดยาให้คนไข้หลับจะบาปหรือไม่ครับถ้าเป็นยาแก้ปวดนี้ไม่เป็นการทำให้คนไข้าตายคือให้คนไข้ไม่ทรมานกับความเจ็บปวดแล้วให้คนไข้าตายไปเองนี้ไม่บาปแต่ถ้าเป็นยาที่ไปทำให้คนไข้าตายโดยตรงจากพิษยาพิษฤทธิ์ของยานี้ก็บาปคิดว่าหมอทาไม่ได้หรอก ในเมืองไทยนี้เขาไมา่ให้ฉีดยาทำให้คนไข้าตายเพียงแต่บรรเทาความทุกข์ทรมานด้วยการฉีดพวกยาแก้ปวดพวกมอร์ฟีนหรือพวกอะไรเพื่อเขาจะได้ไม่ทรมานกับความเจ็บปวดอันนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาให้ฉะนั้นไม่ถือว่าบาปเพราะทางประเทศไทยเรามีกฎหมายบังคับอยู่แล้วห้ามหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ไม่มีหน้าที่ฆ่าคนไข้ให้ตาย ถ้า่าก็จะถูกจับลงโทษครับติดคุกติดตารางได้ข้อสองกรณีตั้งคันไม่พร้อมหรือเด็กในคันไม่สมบูรณ์การแพทย์สมัยใหม่แนะนำให้เอาเด็กออกวงเล็บก่อนสามเดือนสามารถทำได้ตรงนี้หมอที่ทำจับผิดสีนปาศีนปานาบาหรือเปล่าครับพ่อแม่เด็กจะบาปหรือเปล่าครับ หรืออายุคันไม่ถึงสามเดือนชีวิตยังไม่ครบองค์ประกอบของชีวิตครับของคนสั่งให้ทําก็ดีคนทําก็ดีบาปด้วยกันทั้งคู่ถ้าเป็นมีการตั้งครันแล้วก็ถือว่ามีชีวิตแล้วฉะนั้นถ้าไปยุติชีวิตก็ถือว่าเป็นการกระทําบาปเป็นปานาติบาสคําถามจากคุณกุล ค, ค่ะในทางโลกถ้าเราต้องทํางานร่วมกับลูกน้องที่มีอคติ และชอบพูดจาเสาะเสียดเราควรวางใจอย่างไรดีไม่ให้มากระทบใจหรือกังวลกับจิตใจเพราะตอนนี้ก็ใช้วิธีนิ่งเพราะพูดไปไม่มีประโยชน์เพราะบอกเหตุผลก็ไม่ฟังและไม่พอใจกลับสาธุค่ะก็ถูกแล้วก็เฉยๆไปคิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกาไปนกมันร้องเราก็ไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้นันก็ท่านเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทาใจล้วอ่ะดีที่สุดทาใจเราเฉยๆ อย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครเอาล่ะนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับในวันนี้คำถามที่ตกค้างก็คงจะต้องไปในวันต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ